ต่จากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องปริญญาของบัณฑิตแท้โดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่10กรกฎาคม2538ที่พุทธสถานสติสขุขขอเชิญท่านติดตามัฟังได้ณนบัดนี ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องหัดหยุดนี่เป็นสำคัญเพราะการหยุดหรือการระ ง, งับถ้าเผืว่าเราเองเราไม่ได้ฝึกจิตที่จะหยุดจะระ ง, งับอะไรเลยได้แต่คิดได้แต่ใช้สภาพฟุ้งซ่านโดยที่พยายามที่จะเข้าไปสู่โพวังหรือพยายามที่จะเข้าไปสู่ในรอบของการ กับจิตหรือว่ามีความสามารถกับจิตในการที่จะพยายามให้จิตเป็นเอกคตาในรูปแบบสมถะก็ตามตในรูปแบบของการนั่งเจโตสมถะเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ฝึกเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสามารถในจิตอย่างจริงจังเพราการนั่งเจโตสมถะก็เป็นเรื่องสําคัญ ที่เราจะต้องพยายามฝึกฝนเป็นอุปการะอย่างมากอัตมาก็เคยบอกเคยอธิบายมาเสมอว่าการนั่งเจโตสมุทานี่อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์สามประการหนึ่งเป็นการศึกษาเราได้ศึกษาได้เรียนรู้นาน า, นาสารพัดจะได้ศึกษาโดยการสัมผัสจริงไม่ใช่ศึกษาโดยการนึกคิด ฟังเหตุฟังผลฟังทฤษฎีภาษาอธิบายข้อความอะไรเฉยๆไดแต่รับรู้ด้วยอ่านได้เขียนได้ฟังอะไรเฉยๆฉะนั้นไม่ใช่เป็นการศึกษาที่เราจะศึกษาจิตจริงๆศึกษาโดยการตรวจสอบใช้ยานใช้ปัญญาเพราะงั้นการนั่งเจโตสมถธานี้ท่านถึงบอกว่านั่งเจโตสมถะจะเกิดญาณ ท่านก็นบอกแต่เป็นญาณที่ไม่มันก็เป็นญาณอีกชนิดหนึ่งนะญาณที่ถ้าเผื่อว่าเราใช้ไปถึงขั้นญาณเตเวิโชก็ได้นะ่าถึงแม่ไม่ถึงขั้นเตเวิโชก็เป็นญาณในการที่จะรู้จะเกิดความรู้อะไรต่ออะไรต่างๆนา น, นาแม้แต่การนึกคิดในในการเอาความจําเข้ามาผกผันคิดนั่นคิดนี่ได้เวลาจิตสงบในความกําลังความคิดก็มีได้มากเหมือนกัน บางทีคิดงานคิดการคิดเรื่องราวคิดนนคิดนี่คิดอะไรก็ได้นะเกิดปัญญาหรือว่าเกิดความเฉลียวฉลาดอีกชนิดหนึ่งขึ้นได้เหมือนกันนะถ้าเราได้ศึกษาดีๆเราจะได้ตรวจได้สอบนะได้ตรวจสอบความรู้เกี่ยวกับจิตต่างๆเกี่ยวกับอารมณ์ในการรู้ในขณะ น, น, นั้นอย่างนั้นอย่างนี้ละเอียดขึ้นไปอีกแล้วเรามีผัสสะเนี่ยเราก็รู้ สภาพที่มันกระทบสัมผัสแล้วมันก็เกิดอาการเกิดอารมณ์มันก็หยาบแต่ขณะที่เรานั่งไม่มีอะไรสัมผัสเลยตาหูจมูกดินกายของเราปิดหรือว่าระงับไม่รับรู้อะไรมาเนี่ยอยา่างเจโตสมาธินี่เราพยายามปิดพยายามที่จะตัดไม่รับรู้อะไระเพราะงั้นมันไม่เหมือนสัมผัส เมื่อเวลาสัมผัสมันก็กระทุ้งกระแทกให้กิเลสเราออกมาได้แต่นี้ไม่มีอะไรสัมผัสเลยนี่มันจะเกิดอารมณ์ระดิกฤ ร, รีมันจะเกิดอารมณ์ยังจะต้องฟุง้งจะต้อง อ, อย่างไรหรือแม้ที่สุดนั่งไปแล้วก็อยากจะหลับไปเลยพับไปเลยอะไรต่างๆพวกนี้ล้วนแล้วจะเป็นเรื่องที่ไม่ตื่นเต็มไม่เป็นพุท ธ, ธ หรือไม่เป็นผู้ที่เป็นชาคริยาเป็นชาคริยาชาครีเป็นผู้ตื่นมันไม่ได้เป็นผู้ตื่นผู้ตื่นเต็มไม่ใช่ตื่นจากนอนหลับเท่านั้นมันเป็นความตื่นที่แม้ว่าเราเองเราจะอยู่ในสภาพที่พร้อมจะหลับแต่เราก็ตื่นเป็นความแจ่มใสเป็นความสดใสอ ย, อยู่ในนั้นทีเดียวอย่างนี้เป็นต้นเราได้ศึกษาได้รู้อารมณ์ของจิตในมันตกทีนามิตะตก อะไรง่ายๆหรือแม้ว่าเราจะควบคุมแม่มันฟุ้งซ่านมันก็เป็นได้หรือมันจะฟุ้งขึ้นมาเป็นการเป็นพยาบาทอะไรนี่ในระดับที่เรียกว่าเราไม่มีพัรษาแท้ๆเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็จะเรียนรู้จริงๆอ่านั่นหนึ่งสองได้พักผ่อนอได้พักทําสงบระงับแล้วก็พักพักได้ดีมากถ้าบอกว่าเรายิ่งไม่ใช่ว่านั่งไปง่วงไปแล้วก็สู้กับง่วงนี่เมื่อย ใครนั่งแล้วก็ง่วงแล้วนั่งไปเธอจะทนได้สักได้สักสามสบนาทีได้สัยีนาทีหรือได้ชั่วโมงได้นานๆเข้าเท่าไรก็แล้วแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีนิวรพวกนั้นเป็นการง่วงนี่ก็ตามง่วงนี่คือมันจะพักแหละมันจะพักแต่พักชนิดหลับแต่แล้วเราก็ไม่มีพลังชาครีไม่มีพลังชาคริยะเราก็ไม่ตื่นมันก็จะง่วงสู่กับง่วงเนี่ยเหนื่อยฮะถ้าใคร ง่วงเก่งๆทีนมิทัศเก่งๆนั่งใจโตสมถานี่ไปเลยสู้เราก็จะต้องตื่นให้ได้ใช่ไหมจะมีสติจะพยายามตื่นจะรู้ตัวจะให้จิตมันอีกอย่างหนึ่งให้มันแจ่มใสไม่ใช่จิตตกลงไปสู่ทีนมิทะนะเราก็จะได้รู้ว่าเราเนี่ยมันติดสิ่งเหล่านั้นเราเนี่ยจิตมันไม่ได้อยู่ในสภาพที่เป็นชาคริยาเป็นพุท ธ, ธะอะไรจิตของเราก็ดึงไปอีกทิศหนึ่งหรือไม่ก็ฟุ้งซ่านจับไม่อยู่จิตคิดต น, นคิดนี่ เรื่องนั่นเรื่องนี่อะไรต่อตอะไรต่างๆนานาสารพัดที่มันจะจิตมันไม่นิ่งเราก็จะรู้นะเพราะเวลามาฝึกเจโตสมถะนี่เราจะเรียนรู้ถินมิทะกับอุทธธจักกุจจะนี่แหละเยอะนะจะเรียนได้เยอะส่วนเวลาเราตื่นๆเวลาเรามีทวานห้าหอะไรของเราโดยเฉพาะทวานหตาหูจมูกลิ้นกายของเราสัมผัสอะไรต่อตอะไรอยู่เนี่ยก็ให้ระวังกามกับพยาบาท มันมันชัดเจนอ่าประเดี๋ยวก็รอให้เกิดทางกามได้ไหมายว่ากามทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายากาออการมาคุณห้าตรงนั้นแหละพยาบาทด้วยโทสะปฏิฆะความไม่ชอบใจสัมผัสอย่างนอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องอารมณ์ไม่ต้องที่เราอุปทานไว้ไม่ต้องใจของเราที่จะยึดไว้อะไรต่างๆนาน า, น า, น า, นานลืมตาก็ระวังกามพยาบาทท่านนั่งเจโตสมถทมัก็มาฝึกอ่า ให้แข็งแรงต่อทีนมิทธะกับอุทจักกุกกุจจะแต่ถ้าทําได้ดีแล้วเราได้พักได้พั ก, พ, กพักดีได้พักได้สนิทดีสามก็ได้ทําเตวิชโชเตวิโชนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้จริงๆและต้องมีต้องใช้ถ้าไม่มีเตวิโชเราก็เป็นคนปฏิบัติธรรมไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเราเป็นได้แค่ใด อย่างไรมันไม่รู้เรื่องตรวจสอบเหมือนกับคนที่ทําการค้าแล้วต้องลงบัญชีต้องเช็คต้องงบงบดุลทำไปเช่นนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราได้หรือไม่ได้ได้แค่ใดเราจะรู้ว่าเราเองได้แค่ใดอย่างจริงจังขนาพระสมานพระเจ้าจะตรัสรู้ยังจงต้องใช้เตวิโชเลยการตรวจสอบว่าโอ้นีเราจะได้ถึงขั้นเป็นพระอันต์พพุทธเจ้าหรื อ, อยังถ้ายังต้องใช้เตวิโช คือระลึกย้อนทวนทบทวนดูสิ่งที่เราได้เราเป็นเราทํามาบุเพนิวาสานุสติให้เกิดยานระลึกจริงๆตรวจสอบจริงๆหนึ่งมากี่วันกี่เดือนกี่ปีกับพยายามเราจะระลึกได้เราจะพอจําได้พอรู้ความจริงจากสิ่งที่ผ่านที่เป็นจริงๆสัญญามันจําได้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นนึกคิดเอาคิดเพ้อคิดฝันคิดน่นคิดเนียวไม่ใช่ย้อนทวนจริงๆเลย จำได้เท่าไรก็เท่านั้นจำเหตุการณ์จำเรื่องราวจำการต่อสู้สู้กับกิเลสเมื่อนั่นเมื่อนี่เราได้สู้อืจริงไหมหรือว่าเราทำมาทามาแล้วเมื่อนั่นเมื่อนี่อารมณ์ของเราแต่ก่อนนี้กับอารมณ์ของเราเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยความเป็นจิตเป็นวิญญาณของเราเนี่ยจิตวิญญาณของเรามันแค่ใดได้แค่ใด รวดสอบเยียวยนความจำไปเปรียบเทียบเปรียบเทียบเรื่อละเปรียบเทียบเสมอเปรียบเทียบตั้งแต่ก่อนก็ปัจจุบันจริงๆมันถึงจะรู้ว่ามันจเจริญขึ้นหรือว่ามันไม่จเจริญรู้ความเกิดความดับจุดตูป ป, ปาตยานรู้จริงๆว่าอะไรเกิดอะไรดับกิเลสเกิดแต่ก่อนนี้กิเลสเกิดจังเลยเกิดแรงเกิดเป็นขั้นระดับวิติกรมกกิเลสคืออะไรกิเลสหยาบ แรงแต่ก่อนนี่หยาบขนาดนั้นมันอ่อนมันจางมันละมันคลายลงได้จริงไหมเดี๋ยวนี้ปริยุทธายกิเลกก็คือกิเลสระดับกลางอนุสัยกิเลกก็กิเลสระดับปลายระดับอ่อนระดับเล็กมันมันมันลดลงได้จริงหรือเปล่าหรือมันยังเกิดอยู่เกิดกว่าเก่าด้วยกักเก็บกดแล้วยิ่งแหมพอเกิดระเบิดเลยแรงกว่าเก่าด้วยหรือว่าไม่ใช่ อาการมันเป็นอย่างไรจริงๆตรวจสอบของเราที่ได้ผ่านมาจริงๆญาณที่ว่านี้ก็คือการรู้ความจริงตามความเป็นจริงไม่ใช่การนึกคิดรู้เหตรุรู้ผลรู้ผลอของความคํานวณคะณีหรือว่าการบวกลบคูณหารกันใช้เหตุใช้ผลมาคํานวณออกมาเท่านั้นไม่ใช่เป็นการรู้ความจริงตามความเป็นจริงที่มันเกิดมันดับจตูปปาตยารู้การเคลื่อน จุดตูนจุตัจุดติเนี่ยการเคลื่อนมันเคลื่อนมันเปลี่ยนมันย้ายมันเคลื่อนไปไหนแต่มันเคลื่อนลงนรกหรือว่าเคลื่อนขึ้นสวรรค์เคลื่อนไปในทางสูงหรือเคลื่อนลงไปในทางต่ํามันเคลื่อนเคลื่อนไปเรื่อยๆจุดติเนี่ยเคลื่อนไปหรือก็แปลว่าดับก็ได้มันได้ดับกิเลสแล้วมันก็เคลื่อนสู่สูงนแล้วมันก็เกิดจิตมันเกิดใสเกิดสว่างเกิดเจริญเกิดเป็นพระอริยะอุบัต อุบัติเทพจิตที่เป็นเทวดาแท้มันเป็นอย่างไรอาการเป็นอย่างไรมันแตกต่างกันนะมันเจริญขึ้นหรือว่าจนกระทั่งถึงวิสุทธิเทพจิตเราได้ดับสนิทในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่จิตหลอกกิเลสในจิตเรานี่แหละแต่ก่อนนี้มันก็เหมือนจิตแต่มันเป็นกิเลสมันปลอมตัวมันแฝงตัวมันแหม่มันทาตัวเองมันเหมือนจิตเลย แต่ก่อนนี้มันเกิดจริงๆอาการพวกนี้อาการกามอาการพยาบาทอาการที่ไปติดเป็นหลงในการผลักการดูดดูดอะไรผลักอะไรแต่ก่อนนี้อาคาตมาดร้รายชิงชังเดี๋ยวนี้ปล่อยได้วางได้ไม่ชิงไม่ชังแล้ววางไปอุบเบขาหรือว่าวางมันไม่ทุกข์ไม่สุขเงกลา ง, ลางแต่รู้แม้จะมีเหตุมีปัจจัยนั้นมีเรื่องนั้นที่มันเคยก่อให้เกิด กิเลต่างๆก็รู้ได้อะไรย่างนี้เป็นต้นจนแม่ที่สุดรู้อาสวัคยยานรู้ว่าเออไอนี้มันหมดแล้วอนุสัยอาสวะเป็นเช่นนี้ไม่เลือ้อไม่หมักไม่ดองนะไม่มีอยู่ในก้นในบึ่งจิตไม่มีแล้วนะก็ตรวจสอบดูทุกทีถูกกระแทกกระเทือนขึ้นมาแล้วก็นึกเราก็ลดรึกระลึ ก, ลลกไม่ใช่นึกร ะ, ะลึกย้อนดูเป็นบุเภนวิวาสานุสติ เระลึกย้อนดูจริงๆเสีว่าเอ้ยอันนี้เนี่เราเคยเรื่องนี้เคยเคยมีกิเลสระดับขนาดนั้นระดับหยาบกลางละเอียดไปจนกระทั่งไม่เหลือแล้วบางทีมันเหมือนกับกิเลสของเรานี่หมดแต่มันไม่หมดหรอกมันก็ยังฝังอยู่ข้างในเนี่ยหมักดองที่เรียกว่าหมักดองอาสวะเนี่ยมันเหลือแล้วมันก็ตกตะกอนแล้วมันก็แตกตัว ตัวยีสเหมือนตัวอะไรเครื่องหมักเครื่องดองเนี่ยมันเหมือนเหมือนพวกแบคที ria ชนิดเล็กเนี่ยมันแตกตัวมันเกิดอยู่นะมันระเบิเกิดเอามากๆด้วยโอ้เรานึกว่าเราเองเราไม่มีแล้วแต่ที่ไหนได้เรากักกดเสร็จแล้วมันก็ยังฟุ้งขึ้นมาให้เรารู้เราเห็นได้อาการต่างๆมันขึ้นมาได้ นั่นเรียกว่าอาสบะแท้มันไม่ใช่ว่ามันหมดไปดูเหมือนข้างนอกดูเหมือนเราพลางเรากดเราขม่มเรามันมีความสามารถเหมือนกันนะเราทาเป็นกดทําเป็นขม่มทําเป็นไม่มีทเป็นไม่ให้มันออกมาอะไรต่างๆนี่เราก็ทามันได้ในะชั่วครั้งชั่วคราวแต่จริงๆแล้วลึกๆมันไม่ได้ล้างอย่างถูกต้องไม่ได้เป็นวิปัสสนา ไม่ได้กระทาการลดละล้างจางคลายด้วยมรรคองแปดโพธชงเจ็ดอะไรที่เราได้ปฏิบัติจริงแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันมาเนี่ยปฏิบัติมาต้งหาปีบางทีอ้าวยิ่งเกิดแตกตัวฟุ้งใหญ่เลยเดี๋ยวเวียนกลับก็ได้นะแทนที่จะเป็นถอนอาสวะกลับกลายเป็นตัวอาสวะที่หลบฝังตัวแตกตัวไว โอ้กว่าจะรู้ตัวก็ออกลูกออกหลานบานตะโก้เลยอะไรงี่เป็นตนเราก็ต้องตรวจสอบเพราะเราจะนึกคิดในขณะที่ฟังเนี่ยพวกเราก็ใช้ใจติตใตวิโชไปในตัวได้เนี่ยฟังตามนี่ยระคุณเราลึกตามที่อาตมาอธิบายเนี่ยเราลึกตามดูความเกิดความดับไปจิตปัญญาเนี่มันเร็วมันตรวจสอบได้พอสมควร ถ้ายิ่งเราเองเราตั้งใจตรวจสอบเลยใช้เตวิโชตรวจสอบนะทำสมาธิเจโตสมทุทแล้วก็ตรวจสอบเลยได้ก็ยิ่งได้ละเอียดและออกกว่าเป็นเรื่องเป็นราวยิ่งกว่า <Yeah. S 1> แต่ขณะนั่งฟังนี่ก็ยังได้หรือเวลาเราปฏิบัติธรรมนี่เราก็ใช้นาะที่จิงซ้อนอยู่เตวิโชเนี่ยปฏิบัติในประจำวันอะไรเนี่ยเวลาอนะไรเนี่เราก็ ตรวจสอบทบทวนอยู่ในตัวมันเร็วมันรู้ความเกิดความดับมันก็ย้อนตรวจย้อนอะไรตๆไปกิเลสมันจะขึ้นมาเมื่อเวลาถูกสัมผัสเนี่ยแทนที่มันจะหมักดองเป็นอาสวะตายกลบึงมันก็ขึ้นมาให้เราเห็นว่าอออมันมีลักษณะลักษณะสองอย่างหนึ่งมันหมัก มันกดมันเก็บมันกักไว้เนี่ยเรียกว่าอาสวะหรืออนุใส่เรียกว่านอนเนื่องเหมือนกันน่ยมันนอนอยู่ใต้ก้นบึง้งอนุสัยท่านแปลว่านอนเนื่องหรือเมื่อมาใต้ก้นบึ้งนี่แหละมันก็เป็นอาสวะมันก็เป็นจิตที่แตกตัวอยู่ข้างในสอง ล, ลักษณะอันนั้นเป็นลักษณะละเอียดเป็นลักษณะไม่แรงไม่หยาบไม่ร้ายเหมือนกับวิติกรมกิเลสเหมือนกับปริยุทธานกิเลสมันไม่ได้เหมือนแล้วลักษณะมันเป็นขั้นที่สม ไม่ใช่ลักษณะขั้นหยาบขั้นต้นไม่ใช่ลักษณะขั้นสองซึ่งเราต้องประมาณเองรู้เองแต่มันก็เดี๋ยวมันโตได้ขนาดที่ว่ามันไม่มากไม่มาแล้วมันก็กลับฟักตัวสั่งสมการขยายพันธุ์สั่งสมอะไรต่ออะไรโดยที่เรียกว่าบางทีเราเพลเพเราไม่รู้เราปล่อยปละละเลยหรือว่าเราประมาท ประมาททำทะลอทะรอทละทำเป็นว่าไว้ใจแล้วเราไม่มีแล้วนะเราอ่อนแล้วเราสบายสบายแล้วเราไม่เหลือแล้วที่ไหนได้เพลดพสร้างขบวนการพลางตัวเองอะ่ะมันพลางตัวเองมันมันปิดตัวเองมันโกหกตัวเองมันหลอกตัวเองได้เหมือนกันนะมันมันหลอกตัวเองมันทำเป็นประมาทมันทาเป็นอะไรตัอะไรพอรู้ตัวสักทีก็ เวียนกลับตีลังกาเพราะเราเองเราไม่ไว้ไม่ไม่ไม่ไมไมทาให้มันถูกไม่เป็นกับไปการประมาทอันเป็นเรื่องประมาทจริงๆนะถ้าคนประมาททาเป็นแม้เศษภัยโทษภัยอันมีประมาณน้อยเราก็ประมาทไม่ได้มันต้องปฏิบัติมักองค์8ปฏิบัติโพธิปักขีธรรมอยู่ รู้เล็กรู้น้อยที่มันเป็นกิเลสเราขึ้นมาเล็กๆน้อยๆเราก็อย่าประมาทพยายามทําให้มันหมดให้มันเกลี้ยงให้มันสิ้นให้ได้อย่าไปปล่อยปล่าะลาะเลยไม่เช่นั้นแล้วกลายเป็นสภาพพวกนี้ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะที่บอกว่าภาคเพียนพระพุทธเจ้าจะบอกว่าภาคเพียนมีความเพียรอันสําคัญผู้ที่มีวิริยารระพยายามภาคเพียนปฏิบัติอยู่อย่างไม่ประมาท สาห h a อริยะอยู่ประเดี๋ยวก็ได้บรรลุเป็นอรหันต์อะไรเนี่ยก็คือเราต้องปฏิบัติทุกเมื่ออย่าปล่อยปละละเลยเพราะเราเนี่ ย, ย, ายตามจะอยู่ก็ตามจะกินจะนอนจะหลับจะไปจะมาพฤติกรรมต่างๆนี่ก็คือสังกัปวาวาจากรรมันตะอาชีวะเราทำอาชีพการงานเราทำอะไรรับผิดชอบอะไรอยู่ทั้งนั้นแหละมันก็จะมีสภาพที่มีผัสสะเป็นปัใจจัยให้เราเกิด อาการอารมณ์ชอบชังยึดติดอยู่ในนั้นเสร็จนะอยู่ในสภาพที่เราศึกษาโดยพฤติกรรมแท้ไม่ใช่ว่านั่งคิดเอานั่งฝันเอาเพอ้อเอาอยางเดียวไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเราจะขี้เกียจเราจะหลบจะเลี่ยงเราจะหาเรื่องเสพหาเรื่องติดหาเรื่องสังสมกิเลสอย่างโน้อนอย่างนี้อะไรต่างๆนานาพวกนี้ก็อยู่ใน ชีวิตประจําวันของเราตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งนอนวันแต่ละวันแต่ละวันวันหนึ่งยิบสี่ชั่วโมงวนเวียนอยู่ในนี้แหละกินอยู่หลับนอนต่างๆนานาเนี่ยเป็นกรรมฐานหลักเพราะถ้าคำว่าภาคเพียรทำให้เจริญอยู่เราก็ต้องเรียนรู้ในพุทตินยัยพฤติกรรมต่างๆที่เรามีจริงเป็นจริงตัวจพฤติกรรมทุกอย่างอยู่ในกิจกรรมอยู่ในพิธีกรรมใดๆก็แล้วแต่ พฤติกรรมของเราเนี่ยอยู่ในกิจกรรมอยู่ในพิธีกรรมต่างๆวันๆก็มีกิจกรรมกิจการคืองานการกับพิธีกรรมเรามาทําวัดนถือเป็นพิธีกรรมเราก็มาก็อยู่ในนี้เราจะพึงได้พึงเจริญอย่างไรในการมาทําวัดในการมาทําพิธีกรรมอย่างนี้หรือแม้แต่จะมารับปรทะาทานอาหารตอนที่จะลงสลาตอนทานอาหารตอนฉันมีอะไรก็รก็ฟัง ได้พิพจารณาสังกัปปะไปพร้อมฟังเสียงพูดจาบางทีแล้วก็อาจจะพูดด้วยถามไทยเราเราก็พูดบ้างหรือเราจะมีเรื่องมีราวพูดเราก็จะได้พูดแต่ปกติถ้าเราทำงานทำการทำอะไรอะไรอยู่กับหมู่ฝูงอยู่กับกิจการอยู่กับนนทนกับนี่เราก็เป็นชีวิตประจาวันธรรมดาก็ได้พูดในสงวนระวัง มีสังวรประธานประธ า, านภาวนาประธานมีสมประทานอยู่ตลอดเวล า, ามีการปฏิบัติด้วยอิทธิบาทด้วยความรู้ว่านี่เราเองเราเบื่อหน่ายเราไม่อยากทำเราไม่ใช่วิจรารณญาณอะไรหรือเราไม่มีปริญญาสามไม่ได้มีจิตให้เกิดความเป็นปริญญาเป็นความรู้ความฉลาดนะปริญญาหรือปริญญยยะ เราจะต้องรู้เหตุแห่งทุกที่จะต้องรู้นะทุกู้เป็นปริญญาวิจัยลงไปเป็นตีรณตีรนปริญญาหรือตีรนญาณวิจัยเข้าไปอีกอวิเคราะห์เข้าไปอีกซ่อนเข้าไปอีกจนเรารู้ถึงเหตุมันสมุดไทยและเราก็ได้ประหาร ปหารปริญญาได้กระประหารตภพาประหารเหตุฆ่าเหตุหรือเปลี่ยนแปลงตัวที่อกุศลทุจริตทั้งหลายเปลี่ยนแปลงมันได้ปรับมันได้ไม่ให้มันมีไม่ให้มันเกิดให้มันลดให้มันจางมันคลายเราได้ทำปริญญายาตะให้รู้อันนั้นติระณะเจาะลึกเข้าไปให้ถึง รากถึงเหตุวิจัยออกไปให้ออกให้ชัดประหารทําลายจะต้องเกิดปริญญายะเกิดปริญาสามเพราะฉะนั้นถ้าเราทำลายได้สดได้จบเราก็เป็นผู้ที่จบปริญญาทุกเหตุแห่งทุกดับทุกนอริยสัตสามนะทุกเหตุแห่งทุกทุกนิโรธดับได้ก็รู้มีปริญญามีย่อยะ มีปริญญยามียานรู้ว่าอันนี้คือตัวนี้แหละตัวที่เรากาลังจัดการแยกวิเคราะห์ออกอย่าไปทาลายอย่างหยับหยาบดุยดุยเป็นแบบฤษีเป็นแบบเทนตรงวิเคราะห์วิจัยให้ละเอียดทิระณะปริญญาแล้วก็ปะหาให้ถูกสภาพจริงๆทำลายสิ่งที่ควรทำลายไม่ใช่ว่าเราหยับหยาบ เราจะทำลายกิเลสกิเลสกับจิตมันอยู่ใกล้กันเหลือเกินกิเลสกับจิตมันคล้ายกันเหลือเกินเราก็เลยแทนที่จะฆ่าแต่กิเลสว่าฆ่าจิตตัวเองทำให้จิตของเราตกจิตของเราคือเหมือนกับช่างช BON ่างทาไม้นี่นะเราจะฉลุไม้เราจะแกะไม้แกะไปแกะมาแกะไม่เป็นนะแกะแทนที่จะแกะเอาเปลือกมันออกแกะเอาส่วนที่ไม่ต้องการออก แกเนื้อแกะอะไรวว่าวแหว่ววแวงแหว่งเข้าไปเลยแทนที่จะได้ไสภาพดีไอ้ไม้ที่เราต้องการในรูปที่เราต้องการแหว่งไปแหว่งมาเหมือนกับที่เขาบอกว่าทำตอนแรกได้ไม้มาอันนึงก็จะตั้งใจจะทำเรือทำไปทำมาแหว่งไปว้าวไปเลอะเยอะไปก็เลยเรือไม่สาเร็จเลยบอกเอ้ามันเหลือเท่านี้ก็ทำพายกันแล้วกัน ไม้นะดูนั้นเลยเหลือได้แต่ทําพายทําพายทําไปทํามาว่าวไปแหวกไปโอ้ไม่ได้เรื่องก็ทำไม้จิ้มฟันแล้วกันเลยตกลงเลยไม้ทั้งแท่งเลยไม้จิ้มฟันไม่หนักเข้าไม้จิ้มฟันก็ไม่เหลือทําลายมันไปหมดไม่ใช่เราต้องเรียนรู้ชัดเจนเลยว่าเรามจิตกับกิเลนมันใกล้กันคล้ายกันมากเลยไม่ใช่ไปทําลายจิตแต่ทําลายกิเลอย่างนี้เป็นต้น เราต้องวิจัยติรณปริญญาติรณญาณประหารให้ถูกส่วนที่ประหารคนที่ทําถูกต้องแล้วนี่กิเลสยิ่งตายกิเลสยิ่งอ่อนแรงจิตยิ่งใสจิตยิ่งโปร่งยิ่งมีกําลังอยิ่งแข็งแรงนะจิตยิ่งตื่นไม่ใช่จิตยิ่งซึมยิ่งเศร้ายิ่งเบื่อยิ่งเซ็งยิ่งง่วงยิ่ง ไม่อยากอยู่ไม่อยากทำไม่มีไม่ใช่อย่างนั้นมันจะสอดคล้องแล้วมันยังยิ่งจะเป็นฉันทะวิริยะจิตตะปิมังสาก็ยิ่งจะเฉียบแหลมมันจะเจริญอิทธิบาทจะเจริญมากเลยเพราะสุดท้ายแล้วนี่เจริญที่สุดก็มาจบมีสภาพที่เหลืออยู่ก็คืออิทธิบาทนอกเลยสมณะคืออะไรสมณะมีอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดง จิตของเราจะเป็นจิตที่มีชั้นทะได้อธิบายไปแล้วสู่ฟังแล้วว่าชันพระมันมีความลึกซึ้งขนาดไหนมีชั้นทะแล้วก็มีจิตมีทภาพเป็นธรรมดาเลยมีวิริยะไม่ใช่เป็นคนไม่ค้นคว้าเป็นคนขี้เกียจเป็นคนเฉยเฉยเฉยเช ย, ช ย, ชยเรื่อยๆยไม่ใช่ความเจริญไม่ไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนัะะ้นที่บูรจ้าตัไปในแต่ละเรื่องแต่ละรามาเอามาขยายกัน มาอธิบายประกอบกันแล้วจะเห็นได้ว่ามันสอดคล้องลงตัวกันเป็นหมดเพราะยิ่งปฏิบัติถูกทางปฏิบัติได้ดีมันยิ่งจะเกิดเป็นคนที่มีอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงความเจริญสมณะเนี่ยเป็นผู้เจริญเป็นผู้ธีละกิเลสเป็นผู้สงบเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติถูกอย่างดีเป็นลําดับลําดับสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สามสมณะที่สีขึ้นเป็นเรื่องจริง เพราะนั้นถ้าทางถูกปฏิบัติดีแล้วมันจะกลายเป็นคนที่ยิ่งเป็นคนใจดีเบิกบานแจ่มใสราเริงไม่ใช่ยิ่งเฉยยิ่งซึมยิ่งเบื่อยิ่งดีไม่ดีก็ขี่หงุดหงิดขี่รําคาญหรือไม่ก็ยิ่งบูดยิ่งบึ้งยิ่งเศร้ายิ่งซ้อยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยคุณธรรมขอาวุะเจ้าที่ปฏิบัติแล้วมันจะสอดคล้องอย่างนั้นจริงๆจะมากจะน้อยอย่างไรก็ตาม แต่ระบุคคลที่จะมีจริตหรือว่ามีวาสนาจะเป็นใจเบิกบานหน้าตาก็เบิกบานด้วยสัมผัสได้นะคบคุ้นกันนี่มันจะจะเปลี่ยนแปลงไปเออแต่ก่อนนี่เป็นคนบึ้งตึงเป็นคนขี้รำคาญเป็นคนขี้งุดหงิดพอปฏิบัติแล้วไม่เป็นคนที่ยเยือกเย็นเป็นคนเบิกบานเป็นคนจับใสขึ้น เออไ อ, อความกี้ราคาญก็ลดลงหรือไม่มีเออเป็นคนที่คบกับเพื่อนกับฝูงมีเรื่องนั้นเรื่องนี่ก็ใจเย็นอ่าสบายอ่าสัมผัสสัมพันธ์เป็นหลักเป็นฐานขึ้นมานี่คือความเจริญของชีวิตชีวิตมันจะเปลี่ยนมันจะเข้าหาสภาพที่จริงอย่างนั้นอ่าเป็นคนจะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่จะอยู่ในหลักในเกณฑ์เป็นคนเคร่ง เคร่งในหลักเคร่งในศีลเคร่งในวินัยก็ก็ไม่ใช่ไปเป็นคนเคร่งเครียดเป็นคนที่จะต้องแหเอาเป็นเอาตายาจะต้องพอเราได้แล้วมันอัตามานะมันขึ้น เ, เราได้ก็เลยไปที่เด็กหวดคนนั้นเคร่งกับคนนี้เหยียบกับคนโน้นอะไรต่อะไร ต, ต่างๆนะก็ไม่ใช่เราจะรู้มีเจโตปริยานเออรู้เขารู้เราเข้าใจเขาว่าเออเขาก็เพียรอยู่นะหรือเขาไม่เพียรก็ช่วยเขา ว่าพูดพอบอกพอพอสมควรติติงเขาบ้างอะไรอะไรเขาบ้างอันนี้มันผิดหน้าอย่างนี้เนี่ยอาจจะมีนิสัยนะนิสัยพูดแรงๆเร็วๆก็ได้แต่ถึงจะแรงจะเร็วก็ไม่ได้ไปที่ดีจำจีจาแชพูดว่าปากพ ร, อพร้อาปากเปียปากแชบนงบๆเงิบๆไปมีกินพึ่งอุ้ยทำให้คนอื่นเขาถึงแม้ว่าจะหัดร่างความรำคาญมันก็ทนความรำคาญ น, นั้นไม่ไหว ใครเขาออกห่างใครเขาจะอยากจะอยู่ใกล้มันจะต้องรู้ตัวเองเลยไม่ใช่เป็นคนเช่นนั้นอันไหนคืออัตตาของเราทั้งนั้นคือจิตของเราทั้งนั้นมันขี้รําคาญแะยังก้นงอนยังงี้ไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีเห็นอะไรก็ไม่ดีไปหมดที่จริงอะไรมันก็ดีเราต้องหาเราไปไปวุ่นกับมันก้อนหินก้อนดินต่างๆนานา ม, มันไม่เคยเห็นเลยว่าอะไรไม่ดีขนาดเขาเอาขี่หมามาราดมันมันก็ยังเฉยอะ ก้นหินน่ะนะนแสดงว่ามันเองมันไม่มันไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไปถือสาอะไรอ่ามันก็อย่างนั้นเพราะเราได้ทั้งอาการที่ไม่ถือสาได้ทั้งอาการที่เอาภาระภาระเอาแค่ไหนแล้วไม่ถือสาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ของเรานะเราไม่ถือสาเราก็ไม่ทุกข์ลวแต่ในความไม่ถือสานั่นเราไม่ทุกข์แล้วเนี่ยเราจะเอาภาระ ช่วยกูลเขาไหมช่วยเขาขนาดไหนช่วยอย่างนี้มากไปนะไม่ใช่คนใจดำไม่ใช่ธุระไม่ใช่ช่างหัวปัเถอะมันจะเป็นจะตายมันจะไม่ดีไม่งามอะไรก็ช่างหัวปันไม่ใช่เป็นคนมีน้ำใจเอาภาระเหมือนกันดูแลกันช่วยกันออจะติงจะเตือนกันได้ไหมมีมันสั่งสมสร้างสับปุริส ธ, ธรรมเจ็ดประการาเรารู้อัตถธรรมะ รู้เนื้อหาเป้าแก่นแท้รู้ธรรมะรู้องค์ประกอบชั้นเชิงรู้ว่าขั้นตอนรู้ฐานะเออคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้อันนี้ไม่ดีขนาดนี้เขาก็เป็นอย่างนี้อเพราะงั้นจะให้เขาลดได้ขนาดไหนมีธรรมะที่ลึกซึ้งระดับขั้นตอนชั้นเชิงของมันเท่านั้นเท่านี้นนมีธรรมัญญาะจะทำยังไงที่จะให้เขาละนายคลาย ประมาณตนมีอัตตัญจุตาเอตัวเรานี่จะช่วยเขาได้ไหมเนี่ยขณะนี้ฐานะอย่างเราเนี่ยมันเจียมตนนะแต่มันก็พยายามจะช่วยเขาบางทีก็ช่วยโดยตรงถ้าเขารับได้ช่วยโดยตรงไม่ได้ก็ช่วยโดยอ้อมอไม่ให้เขารู้ตัวจะฉลาดอย่างไรถ้าเขารู้ตัวเขาไม่ศรัทธารหรอกเราไปทำขณะ น, นี้เขารับไม่ได้หรอกให้เขารู้ตัวก็ไม่ได้แต่เราจะทำวิธีไหน ที่จะช่วยเขาอย่างนี้เป็นต้นเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนไม่ใช่เฉยๆเฉยๆเป็นคนปล่อยทิ้งเปล่าไม่ถือสาหรือว่าไม่เอาเรื่องแล้วก็เลยพรมมทันไปเลยก็ไม่ใช่แต่คนมีกระจิตกระใจอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมันก็ฝึกสัพพุริสธรรมหัดประมาณอ่าดูรู้รมันจะลึกซึ้งในอัฏฐารู้ซึ้งในธรรมะรู้ซึ้งในตัวเราเองอัตตัญญุตารู้ตัวเราประมาณตัวเราอยู่เสมอประมาณกัรมตัญญุตา ประมาณในเวลานี้โอกาสนี้ในขณะนี้เอเนี่ยเป็นยังไง น, นี่อารมณ์เขาขณะนี้นี่เราจะทำอะไรได้ไหมดูกาละเวลาเ อ, อโอกาสนี้ได้โอกาสนี้ดูท่ า, าทีได้ฮะจะพูดกันจะจ้า ก, กันจะวิจัยวิเคราะห์จ ะ, จ, ะ จ, ะ จ, ะจะติจะเตียนอย่างนี้เวลานี้จ ะ, จะติจะเตียนควรติควรเตียนตอนนี้แหละถ้าไม่ตอนนี้แล้วไม่ได้หรอกแต่อย่างนี้ตอนนี้เนี่ยเอาเร็วๆแ ร, ร, รงๆ จะ ม, มีปฏิพานรู้จะมีศิละปะวิทยาจะเข้าใจถึงโอกาสเกะกาลเวลา อ, องค์ประกอบขณะนี้แหมเหล็กกาลังร้อนร้อนทุบเลยตีเลยตัดเลยได้เอตัว น, นี้ร้อนไปไม่ได้ต้องให้เย็นสันหน่อยก่อนค่อยพูดค่อยจา่าคอยใช้วิธีการอย่างนั้นอย่างนี้มันจะรู้โอกาสรู้กาละรู้เวลามีกาลันยุตารู้ว่านี่ต่อหน้าต่อตาหมู่กลุ่มนี้ควรพูดไหมหมูน่นี้ควรพูดไหมหรือว่าอยู่ในหมู่นี้ยิงควรพูดหมูเ่เล็กหมู่ใหญ่ พู้ในหมูใหญ่ดีผู้ในหมูเล็กดีมีปริสันยุตาจะรู้กาลเทศะในบริษัทหมู่กลุ่มว่าควรจะทําขนาดไหนเมื่อใดหรือปุคระปรนยุตารู้จักคนแต่ละคนแต่ละคนค น, คนนี้ต้องทําอย่างนี้คนนี้ก็ทําอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นกับคนนี้คนนี้<ม>เกิดรู้ไปหมดแหละมีเจโตปริญญอย่างจริงเลยมีประสตานังประปุคลานังมีจิตมีเจโตมีญาน ในด้านรู้ว่านี่มีองค์ประกอบของกิเลสอย่างไรจิตอย่างไรขนาดไหนมีการอย่างรู้จริงๆฝึกไปแล้วก็จะเกิดญาณต่างๆเหล่านี้อย่างแท้จริงนะเราจะช่วยเขาได้เราจะรู้ตัวเราได้รู้เขารู้เราอยู่กับมุกับฝูงเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปนในตัวเสร็จแล้วช่วยเขาก็เป็นประโยชน์เรานะเขาเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้แก่เรา คนนี้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้เราก็กระทบสัมผัสเขาแล้วก็โอ้เกิดกิเลสนั่นกิเลสนี่เราไม่ได้จ้างเขานะก็ทําโจรให้แก่เราเพราะฉะนั้นในคนนี้เนี่ยมันเออพอสัมผัสเขาแล้วมันจะทนไม่ไหวนั่นแหะดีแล้วรู้ตัวให้ทันทําไมต้องทนไม่ไหวแค่นี้ทนไม่ไหวและคนที่ทํานี่เขาก็ทําขนาดนี้แต่เราไปถือสาสัมากเนีถือสามากเราก็เลยทนจะไม่ไหวแม้มัน แต่พอดูค่ารวมแล้วนะคนนี้ที่เขาเป็นอย่างนี้ค่ารวมแล้วเขาก็ไม่ได้ต่ํากว่ามาตรฐานที่พอจะห่างกันอะไรเขาเออเพื่อนฝูง ก, ก็รับกันได้เขาก็อยู่กันได้คนอื่นก็กทนได้คนอื่น ก, ก็ช่วยกันอยู่ในจุดบกพร่องอันนั้นมันเป็นวาสนาของเขามันเป็นเรื่องสันดานอ่ะเรียว่าวาสนามันก็ไม่ชัดมันเป็นสันดานเขานั่นน่ะจริตของเขาขอขา่ะมันเป็นอย่างเงี้ยคนเนี้ยก็รู้ให้ชัดถ้าเรารู้อยู่หลายๆคนก็เห็นพร่องต้องกันว่าเออมันควรจะแก้ไขเขาบ้ า, างคนเนี้ย จริตอย่างนี้มันไม่เขาทาแล้วก็ช่วยกันเราช่วยไม่ได้ก็บอกผู้ใหญ่บอกคนที่สามารถจะช่วยเขาได้ให้ช่วยกันต่อๆไปการมีประโยชน์แก่กันและกันอยู่เป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นเช่นนี้ อ, อัตมาก็พูดไม่รู้กี่ทีแล้วว่าในหมู่พวกเราเนี่ยมีการคัดเลือกมีมาตรฐานคนให้ต่ำกว่ามาตรฐานเรามันอยู่ไม่ได้หรอกเรามีหลักมีเกณฑ์มีก ฎ, ม, กฎมีระเบียบ แล้วก็มีพฤติกรรมด้วยเหมือนพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างพวกเราเนี่ยคนไหนที่ไม่ชอบมาพากลมาทําอย่างง้นอย่างนี้อยู่เนี่ยนีปฏิพานพอรู้ไอ้คนนี้อย่างนี้ขนาดนี้ต้องจ้องอยู่ในหมู่ในกลุ่เราได้ละเดี๋ยวเถอะมีะตํารวจมีทั้งภูธรและนครบาลเห็นพวกเราเนี่มีตํารวจเสร็ซตํารวจผูธรตํารวจนครบาลอยู่ในนี้เรียบร้อยเดี๋ยวก็ได้เรื่องหรอก มันรักษาในตัวเขามันเองมันรักษามันไม่ต้องการให้มีนอนบอนไส้หรือว่ามีอะไรมาชอนมาใช้มันรักษาในตัวก็ามันไปโดยธรรมชาติมันจะมีปฏิพานมีปัญญามีอะไรอะไรพอรู้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองต่างค้นขวายกันอยู่ไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยไอเราเองหรือเราก็ซุกซ่อนเราเองหรือเราก็มีอะไรหมกหมกหมักๆัชวๆวเห็นเพื่อนฝูงคนนั้นคนนี้ เออมันก็มีชั่วมีเลวเหมือนกันก็เลยต่างคนต่างรักษารักษาความชั่วต่างคนก็ไอ้ของเราก็มีว่แต่คืนเราไปพูดมากไปเนี่ยมันก็มาตรวจมาตราอกีกเดี๋ยไปบอกคนนั้นคนนี้ไอ้คนนั้นคนนี้บอกไปตรวจคนโน้นสิดีไมด่ดีไปไตรวจคนโน้นก็มาเจอเราเพราะเราก็ไอ้ก็ชั่วเหมือนเขาแต่เราก็ซุกซ่อนอยู่มันก็เลยไม่กล้าหานแบบนี้คนไม่กล้าหานไม่ก ล, กล้ากล้าไม่อยากจะเปิดเผยไม่อยากจะให้จัดการ พอเราเองเราก็มีสิ่งสุกซอนอันนั้นในแบบนี้ก็นับวันเน่าไปได้วยกันแต่ถ้าผู้ใดรู้ตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็ไม่ใช่ขี่ฟ้องจนเกินไปพอเราละได้กันเลยเฮอไอ้เพื่อนคนนั้นยังละไม่ได้แล้วก็ขี่ฟอ้องบอกแล้วเคยบอกไม่รู้กี่ทีว่าฟ้องก็ให้ข้อมูลนี่มันต่างกัน ให้ข้อมูลก็คือให้ข้อมูลให้เรื่องราวนี้แก่ผู้ที่สมควรจะได้รับรู้ข้อมูลแล้วก็จะได้ช่วยเหลือแก้ไขไม่ใช่ปัจจัยเราฟ้องเขาพลิสิยาใจเราฟอาอ้าาฟองเขาใส่ไข่ด้วยเขาเป็นแค่นี้เขามีพฤติกรรมแค่นี้นะเป็นว่าเขาจะมากมายเกินกว่าจริงไอ้แบบนี้ก็ใส่ใครใส่ความภาษาสแสดงก็ว่าใส่ไข่อะไรเงี้ยไปเรื่องสอเสียเป็นเรื่องเอาความไม่ดีมาพูดเกินจริง เขาไม่ดีเท่านั้นเท่านี้เขาบอกพร่องเท่านั้นเท่านี้ก็พยายามตรวจสอบให้ละเอียดให้ตรงๆแล้วมาบอกเท่าที่มันเป็นจริงเขาไม่ดีขนาดนั้นเขาทำอย่างนี้เขามีอย่างงี้ๆให้มันตรงกับความจริงที่เขาเป็นอย่าไปพูดให้มันเกินไปเอาความไม่ดีไปเอาที่มันไม่จริงมาบวกมาผนวกเข้าไปแล้วก็มาบอกมากล่าวเป็นข้อมูลเกะข้อมูลไม่ถูกต้องอย่างนี้มันก็ไม่สมควรหรือพูดด้วยใจอคติใจโกรธใจชังใจเกลียด แล้วมันจะพูดเกินจริงไปได้โดยจิตที่มีกิเลสละเอียดเนี่ยมันไม่รู้ตัวเนี่ยกิเลสพวกนี้มันพาให้เราจะกล่าวจะบอกจะเล่าอะไรก็มันกมักจะอกิเลสที่มันไม่ชอบหรือกิเลสรักกิเลสชอบก็พูดไม่ตรงไม่เต็มเขาชั่วร้อยก็าบอกเขาชั่วสิบเท่านั้นเองอบอกมากมากกับกลัวแหนเรารักคนนี้นี่ ดีไม่ดีก็ไม่ใช่เราเขาไม่ใช่ไม่เป็นอย่างนั้นเราไม่ไม่ได้ชั่วเราไม่ถือว่าชั่วมันจะลำเอียงเข้าข้างกันได้นั่นนี่ยฉันทาคติต้องตรวจสอบใจไม่มีกิเลสพวกนี้ก็ไปปรุงร่วมด้วยมันก็จะตรงมันจะไม่ลำเอียงเพราะต้องฝึกเราฝึกตัวเราฝึกใจเรานี่แหละแม้แต่ให้ข้อมูลก็เป็นการฝึกนีนตัวฝึกก็เราจะลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะกลัวบางทีไม่กล้าไปบอกไปบอกก็กลัวล้นลานผิดผิดถูกๆ อ, อย่างนี้ก็ไม่เขาถามเหมือนกัน <c oughs> สิ่งเหล่านี้คำสอนพระเจ้าสอนไว้ทั้งนั้นและก็เป็นข้อพิสูจน์เป็นหลักธรรมเป็นหลักธรรมะหกข้อธรรมะแล้วเราก็ไปปฏิบัติให้มันรู้สภาวะของคำกล่าวคำเรียกต่างๆภาษาเรียกและสภาวะมันเป็นอย่างไรเมื่อเราเรียนรู้ไปฟังภาษาไปก็มากมายฟัง บางคนก็ทําวัดทุกวันก็ได้ภาษาได้อะไรไปก็ไปเรียนรู้ปฏิบัติอยูอ่ปฏิบัติแล้วก็จะเข้าใจมันอ๋ออันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้นนนนทําอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราก็จะได้รู้ว่าเราปฏิบัติถูกทางปฏิบัติตามหลักนี้นี่เป็นจริงน ะ, จะเจริญได้แม้เราจะได้ดีได้พักผ่อนได้อยู่ในหมู่เราเนี่ก็เป็นคนที่ไม่ได้ตกาก็เกรดแล้วก็แถมเป็นคนดีพอสมควร เสร็จแล้วเราก็เลยเอาละเราทำแค่นี้ก็พอไม่ค้นควยแล้วเราก็ไม่ได้ปฏิบัติอีกไม่มีสมาทานอีกไม่ตรวจสอบในสิ่งที่จะเจริญต่อไปอีกคุณก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละนะเรียกว่าสังโยกมีอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องนั้นคุณก็อยู่กับเรื่องนั้นเรียกว่าเมทุนมีคู่เสพติดกับคู่คุณจะชอบอย่างใด ฐานอย่างใดคุณก็อยู่กับฐานนั้นสังโยกอยู่เป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งสังโยกก็คือผูกมัดรัดรึงหรือติดอยู่สังโยกก็คือมันมีความผูกยังไม่ปล่อยยังไม่เลิกยังไม่จางยังไม่คลายอย่าว่าจะเลิกจะจางแต่คลายเลยผูกอยู่สังโยกหรือสังโยชน้าจะบอกสังโยชนเลยก็สังโยกก็คือผูกนั่นแหละยิ่งผูกยิ่งมัดยิ่งติดอยู่มันไม่ มันไม่เจริญขึ้นออกไปจากตรงนั้นมันติดตั้งอยู่ตรงนั้นเพราะแม่ทุนจะพูดถึงผู้หญิงผู้ชายก็ใช่เลยจะพูดถึงอารมณ์กรามก็ใช่จะพูดถึงแม่แต่ไม่อารมณ์กลามเราอารมณ์พบชาติพบอย่างใดเพราะว่าตัณหาอย่างใดแล้วคุณก็ติดอยู่ในแป้นนี้แหละพบนั้นก็คือสถานที่อยู่อยู่ตรงนั้นนะพูกอยู่ตรงนั้นแหละก็คือสังโยค่ เมทุนก็คืออันนั้นเจ้าเรียกว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ต้องไปพูดถึงสิ่งหนึ่งกับเราผูกกันอยู่ตรงนั้นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งไม่เจริญขึ้นอีกเลยติดแป้นอยู่ตรงนั้นเห็นแล้วเราก็มีชีวิตของเราไปดําเนินไปอยู่ยางนี้แหละเราไม่ได้เจริญอีกต่อไปแล้วเราก็อยู่ตรงนั้นนะอีกนานน า, นานับกับการจะติดอยู่ตรงนี้กี่ล้านปีก็ได้อย่างนี้ไม่ใช่ความเจริญ เพราะนั้นเราอยู่ในเนี่ยในพวกเราชาวโสเราเนี่ยเรามีกิจการมีโน่นมีนี่บางคนก็ไม่มีการปฏิบัติเพิ่มไม่มีความเพียรไม่ละเอียดละออเพิ่มเติมขึ้นว่าเออเราอยู่ในฐานะนี้แม้อาชีพนี้เราจะเป็นอาชีพประจําก็ตามมันก็มีสิ่งแปลกสิ่งที่สามารถที่ใจะให้อ่านให้เรียนให้รู้ได้นะมันอาจจะแปลกไม่มากมีอะไรที่เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เราได้สัมผัส สัมผัสแล้วก็เรียนรู้ละเอียดละอวอขึ้นไปเออเหตุนั้นเรื่องนี้อันนั้นอันนี้ไอ้อย่างนู้นอย่างนี้มันจะเป็นความละเอียดละอวสิ่งต่างกันน้อยลงมีความคล้ายกันมากขึ้นต่างกันน้อยลงแต่มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ต่างกันต่างข้ากันอยู่เหมือนกันและทําให้เราเองเราเกิดจิตอย่างไรบ้างบางทีก็ต่างมากๆบางทีก็ต่างนิดหน่อยอะไรก็แล้วแต่เหตุ ป, ปัจจัยต่างๆเนี่ยมันมีสารพัดที่จะเป็นตัว ทำให้เราได้ศึกษาเป็นโจทย์เป็นเหตุปัจจัยเป็นโจทย์มีผัสสะเป็นปัจจัยอะไรที่มาผัสสะก็อันนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นวัตถุไม่ว่าจะเป็นกิริยาไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ใกลตัวไกลตัวแม้แต่ที่สุดทุกวันนี้เป็นข่าวเป็นคราวในสมัยนี้เป็นข่าวมากเป็นข่าวต่างๆนานาเราก็สนใจเรื่องข่าวครามีอาการมีเรื่องรามีโน่นมีนี่ แล้วเราก็วูบวาไปกับข่าวเขาโอ้ไอโน่นไอนี้ไอโน่นไอนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราไปเกาะไปยึดไปติดอย่างไรกับใครยังไงมันก็จะเป็นสิ่งเหล่านี้เอามาอ่านมาวินิจฉัยพินิวิเคราะห์อ่านอารมณ์อ่านจิตอ่านใจเราไปยินดียินร้ายเราไปเกิดความยึดติดอย่างไรบ้างเราไปเกิดปรุงเกิดสร้างไปเกิดเป็นอารมณ์เพล่เพลไพ่ไไปกับเขาแล้วกลายเป็นอะไรต่ไรไปต่างๆนานาเราจะได้รู้ สมควรไหมในเราจะคิดเรื่องนี้ด้วยคิดแล้วเนี่ยเรามีอารมณ์ร่วมเป็นอารมณ์ที่ผูกเป็นรสชาติวู่วาบเป็นการชังเป็นการรักเป็นอารมณ์ชอบอารมณ์ชังเป็นเรื่องที่ไปติดไปยึดไปสั่งสมจนกระทั่งเรากลายเป็นคนมุ่นหมกมุ่นถ้าหมกมุ่นอยู่แต่ในเรื่องใดๆอีกก็รู้ วันนี้โอ้นี่เราจมอยู่ในเรื่องนี้นะหมกมุ่นอยู่กับแต่เรื่องนี้อะไรอะไรแล้วก็ไม่สนใจมาสนใจเรื่องนี้มากนั่นชักจะไปกันใหญ่แล้วนั่นน่ะมีพบสวรรค์ลวงที่มันล่อเอาไว้แล้ะอะไรก็ตามดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องดีว่างั้นนะโอ้เรื่องนี้นี่เราจะต้องจัดการดูเหมือนเป็นเรื่องดีแต่มันก็มีอารมณ์ซ้อนได้ มีอารมณ์ที่เราก็ไปเสพไปติดไประเริงอยู่ในนั้นซ้อนก็เป็นได้เหมือนกันเพราะนั้นต้องศึกษาให้ละเอียดถ้ามีความตั้งใจมีความเพียรแล้วก็รู้จากการศึกษาเหล่านี้เราก็มีชีวิตประจำวันนี่แหละมรรคองคแ์ดนี่แหละแล้วเราก็ทำงานอย่างสมเหมาะสมควระจะเป็นงานซ้างานเก่างานเดิมนี่ก็ละเอียดละอลงไปได้ จะเปลี่ยนงานก็ดูตามองค์ประกอบเพื่อนฟุง้งงานเนี่ยนะพุทธเจ้าท่านบอกมีงานใหญ่น้อยของสหธรรมิกนั่นแหะกระดานโน้นใช่ไหมเนี่ยนะมีงานน้อยงานเล็กงานใหญ่อะไรต่างๆนานางา น, า น, านแล้วก็งานของตัวเองมันมีทั้งสองงานอยู่ในนั้นในอาตมาเคยยกตัวอย่างว่าในสูตรนี้มีทั้งอะไรที่ปริยารำพักกับ อะไรอาจารัฐวิริยะหรืออะไรมีทั้งความขยันมีทั้งความเพียรเพียรทั้งสองอย่างเพียรในงานการที่มันเป็นงานข้างนอกกับเพียรทั้งในงานที่ทํางานข้างในของเราด้วยมันซ้อนอยู่ด้วยกันเพราะนั้นเราปฏิบัติคํำว่า ง, งานนี่เป็นเราก็จะได้ทั้งงานนอกได้ทั้งงานในไปนในตัวของศาสนาพระพุทธเจา้าได้เป็นในตัวเลย งานนอกก็ได้งานในก็ได้จนสุดท้ายพระอาหารหันแล้วงานในเสร็จจบกิจงานในงานนอกสบายที่นี้งานนอกยังมีแต่แข็งแรงพิจารณาด้านเดียวมันเหลือด้านเดียวแล้วด้านในมเสร็จเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อเวลาเราสูงเจริญขึ้นยิ่งเลยเขาขีดมาหาอนาคานี่โอ้งานในน้อยลง แต่มันจะละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นผัสสะมาอะไรต่ออะไรก็จะมีปฏิพานปัญญามีติรณญานมีญาณที่เกิดติรนักปริญญามีตัวที่มันจะวิจัยได้ดีได้เร็วได้โมทุภูเตแววายสอคล้องเข้าไปอ่านได้เก่งได้เร็วเพราะฉะนั้นโจดมาเลยเรียงหน้ามาโจดอย่างง้นอย่างงี้ไวเร็วกับอะไรต่ออะไรก็ได้ไม่ใช่จะต้องเอื้อมหนอหยิบหน อ, อยางหนออยู่ไม่ใช่ จะเร็วเป็นอะไรก็ได้ในรวด เ, เร็วมีปฏิพานแววไ ว, ไวเร็วจัดมีปริญญาสามนี่จะเร็วเลยนะพียาตปริญญาตีรณปริญญาปหาณปริญญาเร็วนี่เป็นคนมีปริญญาแท้ไม่ใช่ปริญญาที่ไปสอบเอาที่มหาวิทยาลัยหรอกหรือไม่กระดุษดีบัณฑิตเขาให้ปริญญาโอ้โหดุษดีบัณฑิตเดี๋ยวนี้ก็ให้กันเยอะเดี๋ยวนี้รับกันเยอะเลยทั้งเมืองนอกก็มาให้เยอะนะเดี๋ยวนี้ ในเมืองไทยพระพระเจ้าจ่าเดี๋ยวนี้ก็ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตอะไรนี่ว่ากันไปแต่นี่ไม่ใช่ปริญญาอย่างนั้นปริญญาที่เกิดจากภาคปฏิบัติเราเกิดความกว่าเกิดความรู้ที่เรียกว่าปริญญานี้ที่แท้จิบเป็นบัณฑิตแท้บัณฑิตที่มีปริญญาแท้มันจะแวววายมันจะชัดเจนมันจะทํางานของมันฝึกไปมันก็ยิ่งดีขึ้นฝึกก็ยิ่งเจริญขึ้นเราจะรู้ไม่ใช่ยิ่งเชืยิ่งไม่รู้เรื่อง ยิงกลายเป็นบมเรอตนไม่รู้ตัวเสร็จแล้วกลายเป็นเมถุนสังโยกกลายเป็นว่าเราเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็เลยเป็นเทวดาติดอยู่ในแป้นอยู่ในภพอยู่ตรงเนี้ยไม่เจริญก็ใครก็บเขาใครเขาเจริญไปเราก็เลยกลายเป็นหนักเข้าระวังเถอะมันหมักห ม, มมเป็นอาสวะเป็นอนุสัยทําให้เร า, าลงรากอันนี้อยู่แม้ว่าคุณจะเข้า เข้ากระแสะของโซดาแล้วก็เลยเป็นกายเป็นโซดาที่ช้ากลายเป็นโซดาที่ติดแป้นกลายเป็นโสดาที่แม่ไม่ตกต่ำก็เถอะมันนับชาติกันไม่ได้นะอาตมา ก, ก็เคยอธิบายแล้วโซดาว่าเกิดอีกเจ็ดชาติไม่ใช่ออกจากท้องพอ่อท้องแม่เจ็ดปุ๊ดแล้วก็จะได้เลยไม่ได้ต้องภากเพียรคุณติดแป้นอยู่ตรงไห น, นแล้วก็ เป็นอย่างนี้มีสันดาลว่ากันง่ายๆหรือมีวาสนาในสันดาลอย่างเงี้ยติดมันอยู่อย่างเงี้ยกี่ชาติกี่ชาติก็ช้าช้าเฉยเฉยแช่ชชชชชชสเสพติดอยู่เงี้ยไม่ใช่เกิดเจ็ดุ๊บเรเกิดเจ็รอล้านพุ๊บก็ยังไม่ได้เลื่อนเป็นโสเภณีส ก, กิทาประมาทไม่ได้นะพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเตือนว่าไอ้ทำใดวินยัยใดเป็นไปเพื่อความเนื่นช้าทํานั้นวินยัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคต นี่เป็นคําเตือนที่ลึกซึ้งมากเลยบอกว่าโอออย่าไปทาเป็ น, ปนผัดวันประกันพรุ่งทําเป็นว่าเอออย่างนี้ก็กไปเถอะชาติหน้าก็แล้วการชาตินี้อยเพิ่งเพียนเลยเสพไปเถอะติดไปเถอะเราขอสบายๆแค่นี้ก่อนเถอะไม่ดีเลยพระพุทธเจา้าไม่ไดเคยให้ประมาทอย่างนั้นนะเพราะฉะนัะ้นการเพ่งเพียนอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้เลยว่าเออ น, นี่เราหยุดอยู่บัดนี้เวลากําลังล่วงไปล่วงไปเราทําอะไรอยู่ แต่เสร็จแล้วก็ใหม่แล้วหนักเข้าก็เดี๋ยวก็สังเกตได้การกินก็ชักเพียนและการนอนก็ชักเพียนและการลงทําวัดเรียนรู้เอาใจใส่ในกิจวัตรต่างๆการงานที่เคยทําไม่แล้วชักเปลี่ยนแปลงไปชักมันจะรู้นะปฏิพานคนจะมีปัญญา ช, ชาญฉลาดมันจะรู้อันี้มันชักไม่เคยดีแล้วละ่ะเสื่อม มันไม่ได้ไปสู่ความเจริญนะไม่ได้เป็นคนมีอิทธิบาทเป็นคนขยันหมั่นเพียรขนขวายเป็นบุญกิริยาต่างๆมันไม่สอดคล้องกับหลักธรรมพระพุทธเจ้ามันจะรู้เราเรียนไปเยอะๆแยะๆเนี่ยขนาดนี้ก็มาเขีนได้น้อยแล้วเนี่ยเราจะรู้มันจะดูกันได้อยู่ในการคบคุนกันเนี่ยผู้นี้ศีลเจริญเป็นอัติศีลหรือไม่สมาธิจะดีหรือไม่จิตเนี่ยมันเจริญหรือไม่มีปัญญาปฏิภาณจะรู้แล้วมันจะพอรู้กัน พระองค์ก็ให้สงวนให้พยายามภาคเพียรวันแต่ละวันแต่ละวันเราเนี่ยเรามีระบบวิธีมีกิ จ, จวรรัตรมีอะไรจะอะไรทุกอย่างอจะมาว่ามันลงตัวมันมีระบบก็มันดีอยู่แล้วอย่าปล่อยประละเลยเอาใจใส่ช่วยกันเพราะทุกวันนี้เนี่ยเราต้องการคนที่จเจริญยิ่งขึ้นนี่แหละไว้ได้ขนาดนี้ก็เป็นบุญแล้วแต่จเจริญกว่านี้ยังมีอีกที่เราจะต้องภาคเพียรเป็นไปให้จริง ทุกอย่างมันจะเดนให้เห็นเลยว่าแม้แต่อาชีพการงานการคิดการพูดมันจะเป็นไปจริงนั้นพูดที่พูดแทนนตมาพูดพอได้ก็พูดแล้วก็ให้จริงตัวเองก็ต้องให้เป็นจริงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีประสิทธิภาพมีผลมีประโยชน์มีสักมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเยอะจะทําทให้พวกเราเนี่ยช่วยกันช่วยกันอะกันเป็นภาพซ้อนเป็นสภาพซ้อนซ้อนซๆอ น, อนช่วยกั น, ข, นขึ้นมา ตัวตายตายไปตัวแทนขึ้นมาแทนได้สืบสารกันไปจึงจะเรียกว่าสืบสารสาศาสนาไม่ใช่ว่าคนยอดอาตมาตายไม่ได้คืนตายแล้วล้มเลยไม่มีตัวแทนไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่าศาสน า, สาศาสนาพระเจ้ามีตัวตายตัวแทนมีผู้สืบทอดนะแล้วก็จะช่วยกันเป็นสามัคคีธรรมช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละอย่าง คนละด้านที่ถนัดที่เจริญก็จะงอกงามเจริญขึ้นไปได้น ะ, อะเอาละวันนี้พอสมควร